แต่ทุกวันนี้ดวงจันดาวพฤหัสไม่ได้มี4ดวงนะครับปี2023ตอนนี้นะเกดวงการที่แรงโน้มถ่วงเยอะเนี่ยมันเป็นจุดที่ดีมากเลยในการทํา Gravity Ass สต์คือในการส่งยานอว ก, กาศออกไปสํารวจอะไรที่อยู่นอกระบบสุริยะเนี่ยนะครั บ, รบหรือขอบนอกเนี่ยเขามักจะโฉบดาวพฤหัสเพื่อที่จะอาศัยแรงโน้มถ่วงดาวพฤหัสเนี่ยช่วยในการทําให้ยานอว ก, กาศเนี่ยพุ่งออกไปด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นยูโรป้าเนี่ยพื้นผิวเรียบมากนะครับแล้วก็ ลึกลงไปประมาณหลักไม่กี่สิบกิโลเมตรเนี่ยเป็นมหาสมุทรแล้วดังนั้นถ้าเราจะศึกษาชีวิตนอกโลกอย่างเป็นระบบเนี่ยยุ โ, โรป้าเป็นเลยที่น่าสนใจมาก you're listening to the standard podcast the eye-opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเนี่ยนะคะก็เป็นที่จับตามองในการศึกษาของนักดาราศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งที่นอกจากตัวมันเองแล้วเนี่ยดวงจันทร์ของเขาก็ป<ม>๊อปปูล่าไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวค้นพบน้ำเดี๋ยวค้นพบแบบว่าคาร์บอนอะไรอย่างเงี้นะคะทําให้เรารู้สึกว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะวันนี้มารู้จักกับดาวพฤหัสไปด้วยกันนะคะกับใดในโลกโลนฟิสิกส์เช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัฐโรจิตพนาค่ะแล้วผมปองแปงอัดวโรงจันทมาศครับถ้าเรามองขึ้นไปในท้องฟ้าคืนนี้ไปมอง เราจะเห็นดาวพฤหัสใช่ไหมคะเราเห็นแบบไหนดาวพฤหัสเนี่ยน้องฟังเรียนมามันมีความโดดเด่นยังไงบ้างนะที่บอกมันใหญ่มันใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดใช่ไหมฮะมันใหญ่แค่ไหนรู้ไหมมันใหญ่ขนาดที่ว่าต้องเอาโลกเนี่ยมาเรียงกัน11บใบอะโลกสิบเอ็ดดวงถึงจะได้แบบดาวพฤหัสมันใหญ่มากความใหญ่เนี่ยคือพื้นที่มันเยอะมันก็สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เก่ง <idd ari> ทำให้เวลาถ้าเรามองท้องฟ้าตอนกลางคืนนะครับดาวพฤหัสเป็นหนึ่งในวัตถุธรรมชาติที่สว่างมากนะถ้าไม่นับแบบดวงจันทร์เต็มดวงกับดาวศุกร์เนี่ยก็ดาวพฤหัสเนี่ยอันดับ3เลยตอนกลางคืนนะก็ดวงจันทร์เต็มดวงอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงชัดดเจนดาวศุกร์เนี่ยเห็นแถวแถวขอบฟ้าดาวพฤหัสเนี่ย เราก็สามารถเห็นมันกลางศีรษะได้แม้จะเป็นตอนเที่ยงคืนหรืออะไรพวกนี้เพราะมันเป็นดาวเคราะวงนอกนะฮ ะ, ะมันอยู่ถัดออกไปดังนั้นมันสว่างมากแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยเห็นดาวพฤหัสมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วแต่คนที่ศึกษาดาวพฤหัสอย่างเป็นระบบมากที่สุดคนหนึ่งแล้วก็ค้นพบอะไรน่าสนใจหลายอย่างก็เช่นคุณการิเลโอคนนี้ส่องกล้องโทรทัศน์ไปค้นพระว่าดาวพฤหัสเนี่ยมีดวงจันทร์4ี่ดวงะนะครับ ทุกวันนี้เราก็เรียกดวงจันทร์สี่ดวงเยว่าดวงจันทร์ของกาลิเลโอซึ่งมันใหญ่ที่สุดที่โคจรรอบดาวพฤหัสเนะอะความสําคัญของดวงจันทร์นี่ก็คือมันทําให้กาลิเลโอรู้ว่าเฮ้ยแต่ก่อนคนเขาเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างต้องหมุนไปรอบๆโลกแต่เนี่ยดวงจันทร์เนี่ยพอศึกษาไปศึกษาไปมันโคจรรอบดาวพฤหัสนะดังนั้นเฮ้ยโลกอาจจะไม่ใช่ศูนย์กลางของทุกสิ่งก็ได้นะครับ การไปศึกษาด้านนอกเนี hey. um ่ยมันทำให้เห็นหลายอย่างกลับมามองเนาะแต่ทุกวันนี้ดวงจันทร์ดาวพฤหัสไม่ได้มีสี่ดวงนะครับเจอเพิ่มเหรอคะโว้ยเขาเจอเพิ่มตอนนี้ปี2023ตอนนี้นะ95้าบหดวงแล้วมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่เยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้เรามองด้วยตาเปล่าวถ้าเกิดว่าเรามองด้วยกล้องโทรทัศน์ล่ะคะมันจะเห็นดาวพฤหัสแบบไหนคือกล้องโทรทัศน์ทุกวันเนี้ย ตอให้เป็นกล้องเล็กๆอะไรก็ตามนะครับหรือเป็นกล้องที่คุณครูใช้ตามโรงเรียนนะฮะหรือเป็นกล้องที่แบบซื้อตามออกเว็บออนไลน์เลยพวกเนี้ยก็พอจะเห็นองค์ประกอบน่าสนใจนะคือองค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์นะครับเขาจะเรียกว่าดาบพระฤ ห, หัสเนี่ยมันจะมีแถบสีเข้มๆวางตัวอยู่ในแนวนอนเขาเรียกเบลล์นะเนี่ยเห็นไหมถ้าดูในรูปนี้จะเห็นเบลมีหลายแถบด้วยนะคะมีหลายแถบแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากล้องของเราดีแค่ไหนนะฮะ แต่หลักๆแล้วเราจะเห็นเบลล์แน่นอนแล้วจุดที่มันขาวกว่าเบลล์เขาจะเรียกโซนแซนโอนอีโ e แล้วถ้าโชคดีเราอาจจะเห็นจุดแดงใหญ่ซึ่งเป็นพายุที่พัดอยู่บนดาวพฤหัสนั้นใช่พายุที่ว่าเนี้ใส่โลกเข้าไปได้ประมาณ3ดวงเป็นพายุที่รุนแรงแนละขนาดใหญ่มากใหญ่มากแต่ นักดาราศาสตร์เนี่ยเขาศึกษาแล้วเก็บข้อมูลพายุเนี่ยนะครับเขาเพบว่าตอนเนี้พายุกําลังจะเล็กลงเรื่อยๆอคือหมายเขาว่าเวลาเรามองพายุเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับวงลีเนาะไอ้ส่วนที่มันยาวๆอะ่ะมันค่อยๆหดลงหดลงเร็วมากเลยจนค่อยๆกลมขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคะอันนี้ก็ต้องศึกษากันต่อไปอแต่ว่าเท่าที่เห็นมันเป็นแบบนั้น ม, นะมันอาจจะสลายตัวไปเมื่อไหร่เราก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคใครที่มีกล้องก็รีบดูแล้วกันแปลว่า <นะ S 2> แปลว่าไม่ว่าเราจะส่งขึ้นไปดูดาวพาระฤหัตเนี่ยเราจะเห็นพายุเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างนี้เหรอคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากล้องดีหรือเปล่าและอย่างที่สองคือพายุมันหันมาหาเราหรือเปล่าในตอนที่เราส่องกล้องขึ้นไปนะครับใช่แต่ว่าถ้ากล้องโอเคเลยนะซึ่งไม่รู้สิจะเห็นหรือเปล่าล แล้วแต่ว่ากล้องเป็นยังไงเนอะอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีแต่ถ้าเราดูจากภาพที่บอกว่ามันมีเบลกับมันมีโซนเนี่ยส่วนที่มันเป็นเบลหรือว่าส่วนที่มันเป็นโซนเนี่ยมันคืออะไรอะคะอะไรทําให้มันเกิดมาเป็นสีที่มันมีเหมือนกันหรือว่ารูปร่างแบบนี้เป็นองค์ประกอบในบรรยากาศของมันมนะครับจริงๆอย่างนี้ดาวที่เป็นดาวยักษ์ใหญ่แบบนี้นอกจากพฤหัสก็จะมีดาวเสาร์ด้วยจริงๆดาวเสาร์เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบลักษณะพวกเบลพวกโซนเนี่ย จริงมันก็ควรจะมีคล้ายกับดาวพฤหัสแต่มันพราเลือนกว่ามากมสาเหตุเป็นเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพฤห<อ>ัสแล้วมันก็เย็น<อ>พอมันเย็นเนี่ยชั้นเมฆองค์ประกอบต่างเนี่ยมันควบแน่นมันคล้ายๆเป็นหมอกเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะพราเรือนจนองค์ประกอบต่างเนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นฟีเจอร์หรือเป็นลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นเบละเป็นโซนแบบดาวพฤหัสเนาะใช่ดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเนาะแต่การหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเนี่ย มันใช้เวลาแค่ไม่ถึงสิชั่วโมงนะประมาณ9้าชั่วโมงเกือบสิบอะเร็วมากเร็วมากดังนั้นดาวพฤหัสเนี่ยมันจะมีความป่องตรงกลางคือมันเร็วอะลองนึกภาพมันหมุนเร็วแล้วมันก็แบบป่องออกมานิดนึงตรงกลางมีความป่องตรงเนี้ยเป็นๆ น, นิดนึงนะฮะเป็นอะไรที่มีความน่ารักในแบบของมันคือมันจะไม่ได้กลมดิ๊กอะเนาะเพราะว่ามันหมุนเร็วอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปที่เราเห็นได้จากดาวพฤหัส แล้วการที่มันเป็นดาวที่ใหญ่เนี่ยค่ะทำให้มันแบบมีคุณสมบัติอะไรพิเศษหรือว่าต่างจากดาวดวงอื่นยังไงบ้างเลยคะคือดาวพฤหัสเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แต่ตัวคือตัวมันใหญ่แล้วเนี่ยมันยังมีมวลเยอะด้วยนะครับมวลที่เยอะเนี่ยทำให้แรงโน้มถ่วงเป็นไงเยอะใช่แรงโน้มถ่วงเยอะนะฮะดวงจันทร์มันก็โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดใช่ไหมมันก็ดึงดูดชาวบ้านมามโคจรแต่ที่เหนือไปกว่า น, นั้นคือการที่แรงโน้มถ่วงเยอะเนี่ย มันเป็นจุดที่ดีมากเลยในการทำ gravity assist คือในการส่งยานอวกาศออกไปสำรวจอะไรที่อยู่นอกระบบสุริยะเนี่ยนะครับ<ะ>หรือขอบนอกเนี่ย<ะ>เขามักจะโฉบดาวพฤหัสเพื่อที่จะอาศัยแรงโน้มถ่วงดาวพฤหัสเนี่ยช่วยในการทำให้ยานอวกาศเนี่ยพุ่งออกไปได้เร็วด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นนะฮะตรงนี้จะเป็นอะไรที่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะดาวพฤหัสแต่การจะไปโฉบดาวพฤหัสแล้วไปรับความเร็วจาก ตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีจุดต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีสนามแม่เหล็กแรงมากๆสนามแม่เหล็กแรงมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลต่อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในในพวกยานอวกาศเหล่า น, นี้ดังนั้นการศึกษาดาวพฤหัสเนี่ยจึงสำคัญมากเหมือนกันนะในแง่ที่ว่าถ้าเราอยากจะส่งยานอวกาศไปทา gravity assist คือไปโฉบเพื่อรับความเร็วเนี่ยนะครับ มันก็จะต้องหาวิธีการป้องกันผลจากสนามแม่เหล็กไม่ให้มันมารบกวนการทํางานหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆในยานพวกเนี้นะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กดาวพื้หัสเนี่ยยังมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจด้วยคือคมันส่งผลให้ดาวพื้หัสเนี่ยมีแสงออโรราซึ่งเหมือนกับที่โลกของเราก็มีเหมือนกันใช่และดาวเสาร์ก็มีคือสนามแม่เหล็กเนี่ยมันรับคือลมสุริยะเนี่ยพอมันวิ่งเข้ามาปะทะเนาะ มันก็โค้งไปตามสนามแม่เหล็กประทะกับชั้นบรรยากาศที่ที่ขั้วของดาวแล้วมันก็เปล่งแสงออกมาปล่อยพลังงานออกมาซึ่งเป็นแบบที่เหมือนท่าของโลกเราจะบอกว่าอยู่ที่ขั้วโลกใช่ขั้วขั้วเหนือขั้วใต้แต่ว่าดาวพฤหัสก็อยู่ที่ขั้วเหนือขั้วใต้ของมันเหมือนกันแต่ดาวพฤหัสเนี่ยมีความน่าสนใจเข้าไปอีกคือออโรราของดาวพฤหัสจะบอกว่ามันซับซ้อนที่สุดในระบบสุริยะก็ได้เพราะว่าตัวมันยังได้รับ ผลบางอย่างจากดวงจันทไอโอโดยเฉพาะไอโอเนี่ยส่งผลบางอย่างต่อการเกิดออโรรามากเลยะนะครับส่งผลยังไงเดี๋ยวไปเรื่องของดวงจันทรผมจะย้อนกลับมาเล่าให้ฟังว่าว่ายังไงดังนั้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องดาวพฤหัสเนี่ยผมว่าผมว่ามันน่าสนใจอีกเหตุผลที่มันน่าสนใจก็เพราะว่าเวลาเราศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนอกระบบนะดาวเคราะห์นอกระบบุยะที่เราเจอง่ายๆหน่อยเนี่ยมันก็จะต้องเป็นดาวที่ใหญ่ใช่ไหมใหญ่ๆมันก็ สะท้อนแสงเยอะมีแรงโน้มถ่วงเยอะก็กอ่อ <ฮะ S 1> ให้เกิดผลต่างๆที่เราตรวจจับง่ายมันก็จะมีความคล้ายกับดาวพฤหัสหรือดาวเสาอะไรพวกนี้ดังนั้นการศึกษาธรรมชาติของพวกดาวยักษ์ใหญ่พวกนี้มันก็นำไปสู่ความเข้าใจดาวเคราะห์อื่นๆที่อยู่นอกระบบสุริยะได้ด้วยศึกษา<ะ>จากสิ่งที่แบบใหญ่ อ่าแล้วก็ใกล้เราใกล้เราไปสู่สิ่งที่ไกลเราครับนเมื่อกี้เราเห็นแล้ ว, ว่าบนดาวพฤหัสเนี่ยมีมีองค์ประกอบเนสนามแม่เหล็กเกิดออโรล่าแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปข้างในมันละ<อ>มันองค์ประกอบมันเหมือนโลกไหมคะดาวพฤหัสเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะผมว่าประมาณเกือบ 90% อนะฮะองค์ประกอบทั้งหมดในดาวเนี่ยคือแก๊สไฮโดรเจน อีกเกือบเกือบสิเป็นี่ยเป็นพวกฮีเลียมแล้วพวกที่เหลือน้อยๆอื่นๆนะฮะก็จะเป็นพวกมีเทนพวกแอมโมเนียพวกน้ําพวกแบบอะไรที่อยู่ตรงกลางบ้างที่เป็นหินเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมนั่นแหละส่วนใจกลางของดาวพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นพวกมีพวกหินพวกน้ําแข็งเป็นแก่นอยู่ตรงกลางเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถัดออกมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่า m e t a l ลิกไฮโดรเจนคือปกติแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นเม t a l l i c คือมันไม่ได้มีความเป็นโลห ะ, ะแต่ตรงนี้ฮะเม t a l ลิกไฮโดรเจนที่ อ, อยู่ข้างในดาวพฤหัสเนี่ยคือไฮโดรเจนที่มันได้รับแรงดันสูงมากจนอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้เหมือนเป็นโลหะซึ่ง<ห>มันเป็นสภาวะที่ค่อนข้างประหลาดมากสำหรับสาหรับไฮโดรเจน แล้วนักฟิสิกส์เองก็สังเคราะห์เมทัลลิกไฮโดรเจนในห้องทดลองได้นะแต่ยากมากเลยแต่คําถามคือเวลาเราศึกษาเรื่องพวกเนี้ย <c oughs> เขาไปรู้ได้ไงว่าตรงกลางมันเป็นยังไงเออคือถ้าถ้าถามกลับมาที่โลกถ้านึกภาพอาเอาโลกก่อนเอาโลกก็ได้ถ้าให้โลกของโลกของเราเนี่ยตรงกลางเราจะรู้ว่ามันร้อนถูกไหมคะมีแกนเป็นเป็นพวกโลหะเป็นอะไรแล้วก็มีอะไรออกมาเป็นชั้นๆเนี่ยอ่าใช่แต่เรารู้ได้ยังไงเอาโลกเราก่อน รู้ได้ยังไงเหรอผมบอกผมบอกน้องๆเสมอเวลาไปพูดอว่าความสนุกเวลาเรียนหนังสือคือการถามครูว่ารู้ได้ยังไงอมันจะสนุกมากว่าแบบรู้ได้ยังไงเอาแใช่แต่ครูจะสนุกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันสนุกนะว่แบบรู้ได้ไงให้ฟังเดานะฟังเดาว่าอย่างโลกของเราถ้าอยากรู้จากข้างในก็น่าจะดูอะไรบางอย่างที่มันประทุออกมาจากข้างในอย่างเช่นภูเขาไฟอะไรอย่างนี้ไหมโอมันถือว่าเกิดที่ผิวมากเลยอ๋อก็เดีผิวอยู่ใช่สิ่งที่เราช่วย ศึกษาองค์ประกอบภายในได้นะก็มีหลายอย่างแต่หนึ่งในสิ่งสําคัญมากก็คือแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเกิดร้อยเลื้อร้อยเลื่อนต่างๆที่อยู่คือแผ่นดินไหวมันคือการสั่นสะเทือนค่ะเราศึกษาการสั่นสะเทือนของคลื่นแผ่นดินไหวคล้ายๆเราปล่อยอันตร า, าเข้าไปอ่ะมันก็พอจะสร้างแบบจําลองว่าข้างในมันคลื่นมันผ่านอะไรมันเห็นอะไรแล้วสถานีตรวจจับมันมีทั่วโลกอะครับมันก็พอจะ ขอข้อมูลอะไรต่างๆมาทําแบบจําลองได้ว่าอ๋อมันผ่านจากตรงนั้นไปตรงนี้มันหักเหมันเปียอะไรยังไง โ, <อ>โลกเนี่ยใช้พันดินไหวได้ค่ะแต่ดาวพฤหัสเนี่ยใช้พั่นดินไหวไม่ได้เออทายังไงอ่ะทำไมเขาถึงรู้อ่ะน่าทึ่งน ะ, ะเขาศึกษาแรงโน้มถ่วงก่อนว่าดาวพฤหัสเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงที่จุดต่างๆที่โคจร อ, อยู่รอบๆนะฮะยานที่โคจรรอบๆศึกษาแรงโน้มถ่วงแล้วก็เก็บข้อมูลสนามแม่เหล็ก เพื่อคาดการว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงมันถึงปล่อยสนามแม่เหล็กออกมาแบบนี้หรือมีแรงโน้มถ่วงแบบนี้ซึ่งปัจจุบันนะปี2023ยานที่ทันสมัยที่สุดลํานึงที่โคจรรอบดาวพฤหาสชื่อยานจูโนก็ศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่เจ๋งไหมเจ๋งมากดูดูเหมือนกับว่าแค่ศึกษาโลกก็ยากแล้วอันนี้ต้องไปศึกษาแบบใจกลางของดาวดวงอื่นแล้วเอาจริงๆนะครับที่เราสร้างแบบจําลองว่ามันมีแก่นมีอะไรก็ เราก็ไม่ได้มั่นใจถึงขั้นระ้อยเปอร์เซนะว่าแก่นมันเป็นแบบโน้นแบบนั้นนะ่ะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่จูโน่พยายามไปตอบคาถามด้วยซ้ําว่าแก่นมันมีจริงหรือเปล่าหรือหรือมันจะไม่มีแก่นหรือแก่นมันไม่ได้เป็นเป็นก้อนแบบชัดเจนมีรอยอหรือมันจะค่อยๆแบบมีเกรเดียนค่อยๆแบบสลายออก เ, ออเปลี่ยนความเข้มข้นออกมาเรื่อยๆแบบนี้คือเป็นอะไรที่จูโน่เนี่ยไปตอบคาถามพวกนี้อยู่อย่างละเอียดใชค่ค่ะค่ะ ซึ่งถ้าตอนนี้เหมือนกับเราเริ่มค่อยๆรู้จักตัวดาวพฤหัสมากขึ้นแต่เมื่อกี้ที่ฟังว่าทุกคนน่าจะทึ่งก็คือดวงจันทร์ของมันที่มีถึง90กว่าดวงเก้าดวงดวงจันทร์95ดวงวันแบบมันดูงมียอไปหมดแล้วก็จําได้ตอนที่เราคุยกันเรื่องของสิ่งมีชีวิตนอกโลกบางท่านฟังจะไม่ผิดเราพูดถึงน้ําที่อยู่บนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสด้วยใช่ไหมคะใช่อุ๊ยมีกระตูนอยู่เรื่องหนึ่งผมเคยดู มันพูดถึงว่าในอนาคตเนี่ยอันไกลโพ้นมากๆเนี่ยมนุษย์ไปอยู่ดาวพฤหัสได้ด้วยนะแต่ไม่ได้ไปอยู่บนผิวนะเพราะมันเป็นดาวดาวยักษ์ใหญ่อะแล้วผิวมันเป็นของไหลอะฮะขเขาก็ไปสร้างแบบเป็นโลหะครอบอะเป็นเป็นคล้ายๆตะข่า ย, าายแล้วก็อยู่แบบเกาะๆอยู่รอบๆ อ, อะไรแบบนั้นนะบ้างก็ไปอยู่อานณานิคมตามดาวต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดัดแปลงตัวเองเป็นไซบอร์กพอ <laughs> แต่ก่อนจะไปดวงจันทร์เนี่ยผมผมชวนน้องฟางนึกอย่างนี้ก่อนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเนี่ยมีวงแหวนกี่ดวงไม่รู้มีเสาแน่ๆใช่ไหมยูเรนัสกับเนปจูนก็มีแน่ๆแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าดาวพฤหัสเขาก็มีวงแหวนนะครับมหรอค่ะแต่เวลาเราวาดรูปเลยดาวพฤหัสจะไม่มีไม่มีแต่ว่าก็ก็ไม่แปลกเพราะว่าโหมันบางมาก แต่ก็ถือว่ามีนะฮะเป็นเป็น System มวงแหวนของดาวพฤหัสเนี่ยจะประกอบไปด้วยพวกฝุ่นแล้วมันก็ค่อนข้างจะสังเกตยากถูกค้นพบในปี1979โดยยานที่ไปแบบยาน Voyager อที่ไปแบบเข้าไปใกล้มันก็โอ้โหมีมีวงแหวนด้วยนะมีวงแหวนกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ความน่าทึ่งอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับดาวพฤหัสคือบางคนก็เรียกมันว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นของระบบสุริยะเพราะน้อนเนี่ย มวลเยอะมากมตัวมันแบบมวลเยอะแรงโน้มถ่วงเยอะมันก็ดูดเอาพวกดาวเคราะห์น้อยพวกอะไรที่แบบมันจะวิ่งเข้ามาในรลบสุ ร, ยริยะเลยแ้วพวกนี้เข้าไปที่ตัวมันมแล้วก็ไปชนใส่ตัวมันอ๋อด้วยด้วยแรงโน้มถ่วงของมันจึงดึงดูดพวกนี้เข้ามาเข้ามาชนตัวมันใช่ อ, อย่างเอ่อที่เป็นเรื่องดังมากนะตอนนั้นผมยังไม่สนใจดาราศาสตร์ด้วยซ้ำอตอนนั้นปีห994เกค่ะเกิดยัง หน่เกเกิดมาละขวบหนึ่งผมตอนนั้นร่วมรู้ความแล้วแต่ว่าไม่สนใจอะไรก็เห็นเป็นข่าวบอกว่าจะมีดาวหางชื่อชูมักเกอร์เลวี่นเคยได้ยินไหมพุ่งชนดาวเลยตอนนั้นข่าวดังมากนะออกทุกช่องเลยดูทีวีผมก็แอะไรอ่ะพูดเยอะจังเลยตอนนั้นแบบโหลูกยี่น่าจะแบบตั้งใจดูข่าวมันเป็นปรากฏการณ์สคัญมากเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวหางมันพุ่งชนดาวบริเว นะครับมีผู้เชี่ยวชาญอะไรมัอธิบายเนืซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าการที่ระบบสุริยะเรามีเครื่องดุดฝุ่นแบบนี้อยู่อาจจะส่งผลต่อต่อโลกในทางที่ดีเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะแต่ว่ามีก็ดีไอ้พวกที่มันอาจจะเป็นอันตรายต่อโลกอาจจะเข้าไปชนดาวพฤหัสด้วซะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพวกนี้มันทําอะไรต่อดาวพฤหัสได้ไหมคะหรือไม่สะเทือนน้องใหญ่โอไม่สะเทือนเลย คือถ้าจะเห็นคือเห็นเป็นจุดปุ๊บขึ้นมาแล้วก็แม้ว่ามันจะรุนแรงมากน ะ, ะรุนแรงมหาศาลเลยจะ แ, แบบคือดาวพฤหัสบมันใหญ่มากครับน้องแบบถ้าชนนอะไม่รู้สึกเท่าไหร่ก็โอเคนะ อ, อะไรเงี้ยโอโอเคโอเครับแทนรับแพนได้ในบางเรื่องรับแทนได้สบายเลยงั้นตอนนี้เราพาไปดวงจันทร์ของดาวพฤหัสั<ป>ตนต่อเลยไหมคะครับอะดูรูปกันดวงแรกที่อยากให้ทุกคนรู้จักนะครับ <S <S แกรนีมี คือคือถ้าดูด้วยแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันก็คล้ายๆดวงจันทร์ของโลกไหมคะอืมดูมภายนอกคล้ายๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแกนิมีดเนี่ยเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสและใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะโห oh. และตัวมันใหญ่กว่าดาวพุธซะอีก oh. อืมบิ <Big Mark. S 2> ๊กมากแกนิมีดเนี่ยเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่มีสนามแม่เหล็กของตัวเองค่ะ <c oughs> แล้วที่น่าทึ่งคือ นักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์เขาศึกษานะฮะพบว่าลึกลงไปเนี่ยประมาณอยู่ในหลักร้อยกิโลเมตรเนี่ยมีมหาสมุทรอยู่ด้วยอยู่ในดวงจันทร์แกนาดีท์ใช่โอ้ oh. อันเนี้ยก็เป็นดวงหนึ่งที่คนที่ศึกษาเกี่ยวกับอสโตรไบโอโลจีหรือการศึกษาหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกะนะครับสนใจมากว่าโอ้โหข้างในเนี้ยมีน้ําแล้วน้ําเยอะด้วยนะความหนาของมหาสมุทรเนี่ยก็เป็นหลักร้อยกิโลเมตรเหมือนกัน เยอะมากไม่ใช่มีแบบหยดสอหยดซึมๆไม่ใช่หนาเป็นร้อยกิโลซึ่งโหไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งมีชีวิตจะวิวัฒนาการหรือถือกําเนิดขึ้นตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราศึกษาหาคําตอบกันอยู่นะคะค่ะดวงต่อไปดวงนี้คือไอโอเนองเหมือนมันฝรั่งที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกดูน่ารักนะไอโอเนี่ยเป็นดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้ดาวพฤหัสที่สุดพระใกล้ที่สุดมันก็โคจรครบรอบเร็วที่สุด ส่งผลให้มันมีบทบาทอย่างมากต่อประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในแง่ที่ว่านักดาราศาสตร์ชื่อคุณโรเมอร์เคยศึกษาการโคโจร ร, รอบดาวพฤหัสของมันอคือตอนที่มันกําลังจะเข้าไปในเงาดาวพฤหัสปุ๊บเขาก็จับเวลาตอนออกก็จับเวลาเขาอาศัยการจับเวลาตรงนี้ศึกษาการแหลกของแสงจนพบว่าความเร็วแสงมีค่าเท่าไหร่ได้ด้วยจากการโคโจรของไอโอใช่ ถ้าแสงเนี่ยมันไม่มีความเร็วคือถึงถึงปุ๊บทันทีเลยเนี่ยมันก็จะต้องเห็นอย่างหนึ่งแต่การเข้าไปในเงากับการโผล่ออกมาเนี่ยมันมีแหลกบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เขาสรุปได้ว่าโอ้ความเร็วแสงมีค่าจํากัดแล้วก็มีค่าเท่านี้อะไรเงี้ยแม้ว่าค่าที่ได้ในประวัติศาสตร์ที่คุณโรเมอร์ทําอาจจะไม่ได้แม่นยํานักนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าทึ่งและการที่ IO อยู่ใกล้ดาวพฤหัสมากทําให้มันได้รับ สิ่งที่เรียกว่าไทด a ลฮี a ติ้งมากที่สุดก็คือตัวมันเนี่ยได้รับผลจากแรงโน้มถ่วงที่ทำให้เกิดไทดัลไทดัลก็คล้ายๆกับน้ำขึ้นน้ำลงนะคือตัวมันเนี่ยเหมือนถูกดึงอย่างรุนแรงทีนี้ลองถึงลึกถึงลูกเทนนิสลูกสควอชที่แบบถูกฟาดแรงๆเนี่ย ม, มันก็จะอุ่นเพราะอุ่นเนี่ยพื้นผิวของมันฮะก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา อยู่แทบจะตลอดเวลาอืถึงขั้นที่ว่ามีพวกแบบภูเขาไฟระเบิดออกมาเลยนะ <Okay. S 1> เป็นหนึ่งในดวงจันทร์ที่มีภูเขาไฟระเบิดค่ะและภูเขาไฟที่ระเบิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมีความรุนแรงแล้วเท้าอะไรต่างๆที่มันพ่นสาหรานออกมาเนี่ยมันก็เกิดการเสียดสีเพราะเสียดสีก็มีสภาพเป็นประจุไฟฟ้าอพอมีสภาพเป็นประจุไฟฟ้าแล้วเจอดาวพฤหัสมีแรงโน้มถ่วงเยอะมันก็ดูดเข้าไปใช่ปะอืเออ ตัวอนุภาคมีประจุไฟฟ้าจากไอโอเนี่ยก็ทําตัวเหมือนเป็นลมสุริยะแหล่งที่สองจนก่อให้เกิดออโรราจากไอโอโอเออคือลมสุริยะนี่มันก็คืออนุภาคมีประจุไฟฟ้าแต่ตัวไอโอก็ฉีดอนุภาคมีประจุไฟฟ้าขึ้นจากภูเขาไฟจากอะไรออกมามแล้วมันก็เข้าไปที่ดาวบริหัดก็เกิดเป็นออโรราที่เกิดจากไอโออย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันเป็นดวงจันทร์ที่มีความน่าสนใจหลายอย่างมากๆทั้งในแง่ที่ว่าตัวมันมีความ เปลี่ยนแปลงเชิงธรณีมีไทโรฮีตติง้งแล้วก็มีบทบาทต่ออโอโรราของดาวพฤหัอสอเถ็งมาก<น>เหมือนดาวพฤหัสก็เกิดปรากฏการณ์และมีอยู่ในความเป็นตัวมันเองจากดวงจันทร์บริวารของมันด้วยเช่นกัน<ช>ส่งผลต่อกันเนา ะ, อ, ะอย่างในรูปนี้ที่เป็นขาวดำเนี่ยนะอันนี้ก็คือดวงจันทร์ไอโอแหละแต่ว่าข้างบนที่เป็นผวยขึ้นมาเนี่ยคือเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอะไรพวกนี้รุนแรงไหมล่ะมันเห็นชัดออกมาเลยเนาะ ถ่ายจากนอกดาวอย่างเห็นนะรุนแรงมากนะครับอ่ะดวงที่สามฮะคันลิสโตสวยมากเลยอ่ะมันมีความระยิบระยับน้องฟางคิดว่าผิวของมันเนี่ยเก่าแก่หรือเป็นผิวใหม่อพอซูมเข้าไปแล้วมันก็น่าขนลุกอยู่เหมือนกันนี่ใครกลัวรูนี่อาจจะอย่าดูนะฮะมันเป็นผิวเก่าหรือผิวใหม่เราดูจากอะไรอะคะพี่เราดูจากการที่ว่าผิวของมันเนี่ยเต็มไปด้วยริ้วรอยอืนะครับ ริ้วรอยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตามอายุของมันนะครับแปลว่ามันเก่านี่พูดถึงดาวนะแปลว่ามันผิดเป็นผิวเก่ามากแล้วไม่มีการผลัดผิวเลยคือหมายความว่าผิวเนี้ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วแล้วก็เจออะไรชนกันก็ผิวมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนจะใช่สะสมริ้วรอยไปเรื่อยๆในขณะที่ผิวอย่างตัวไอโอเงี้ยผิวมันมีการผัดเปลี่ยนตลอดเพราะมันมีธรณีวิทยาเนี่ยแต่ตัวนี้มันมันไม่มีผิวมันก็มีความเก่าแก่ ความน่าสนใจก็คือเราอยากรู้อดีตต่างๆเนี่ยเราก็มักจะไปศึกษาผิวพื้นผิวที่เก่าๆเ่าเนี่ยมันก็จะบ่งบอกเหตุการณ์บางอย่างที่เคยเกิดขึ้นในระบบสุรยิยะยุคแรกเริ่มได้ อ, อันนี้ก็เป็นดวงจันทร์คาริสโตเหมือนน้องบันทึกประวัติศ า, ศาสตร์เอาไว้เอาไว้แล้วก็ดวงที่4สุดท้ายของวันนี้ก็คือยูโรป้าจงใจเอาไว้ดวงสุดท้ายเพราะว่าผมว่ามันน่าสนใจที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมนะนักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์ทั่วโลกก็สนใจเพราะว่า ยูโรป้าเนี่ยพื้นผิวเรียบมากนะครับแล้วก็ลึกลงไปประมาณหลักไม่กี่10กิโลเมตรเนี่ยเป็นมหาสมุทรละในขณะที่แกนิมีดเนี่ยลึกลงไปเป็น100กิโลนะอันนี้โลกลงไปหลักหลักเป็น10ก<อ>ิโลนะฮะสิบยกิโล <120 km S 1> ก็น่าจะเจอมหาสมุทรละอดังนั้นถ้าเราจะศึกษาชีวิตนอกโลกอย่างเป็นระบบเนี่ยยูโรป้าเป็นเลยที่น่าสนใจมากดูมีความเป็นไปได้สูง มันไม่ได้สูงในแง่ที่ว่าเราอาจจะไปศึกษาเพราะว่าผิวมันไม่ไม่ลึกมากแล้วอย่างที่สองคือเราเจอพวยน้ำมันพุ่งขึ้นออกมาสูงถึง200กิโลเมตรเท่ากับว่าเราสามารถส่งยานไปโฉบเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ยานที่จะส่งออกไปในอนาคตชื่อยูโรปาคลิปเปอร์ในปี2024เนี่ยก็จะไปเก็บตัวอย่างเหล่านี้มาศึกษาอันนี้ผมว่าน่าสนใจน่าตื่นเต้น ซึ่งถ้าฟังดูแล้วอ่ะเราจะเจอว่าเฮ้ยดวงจันทร์เมื่อกี้เราพูดมาถึงแค่สี่ดวงแต่ว่าก็เจอน้ําอยู่หลายดวงใช่มันมันเป็นเรื่องปกติของดวงจันทร์หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นความพิเศษที่ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมีน้ําอยู่หลายดวงเป็นคําถามที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยนะครับเราไม่ได้เจอแค่แค่ที่ระบบสุริยะนะจริงๆนอกระบบสุริยะเนี่ยเราก็เจอ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่บรรยากาศมันมีองค์ประกอบเป็นน้ําหรือว่าเจอโมเลกุลของน้ําอยู่ตามจุดอื่นๆใ น, อในเอกภพด้วยนะครับดังนั้นน้ำเนี่ยถือว่าเป็นโมเลกุลที่จะว่าหายากก็มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น ม, มันเกิดจากไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งมันเรียบง่ายฮะมันไม่ใช่โมเลกุลที่มีความสลับซับซ้อนเหมือนเหมือนพวกสารอินทรีย์แบบอะไรพวกนั้นเนาะค่ะออใช่แต่การเจอน้ําที่อยู่ในสภาวะของเหลวและ แหล่งน้ําที่เรามีโอกาสไปตักตัวงมาวัดได้เนี่ย อ, อันนี้ผมว่าน่าทึ่งใช่เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญของชีวิตบนโลกเราก็คาดการอย่างมีหลักการว่าถ้าชีวิตนอกโลกมีความคล้ายคลึงกับโลกซึ่งไม่จําเป็นนะฮะแต่ถ้ามันคล้ายการเจอน้ําก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในการจะไปมองหาสิ่งมีชีวิตใช่ถ้าใครที่ฟังตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเออได้รู้จักดาวพาริหัสมากขึ้นแล้วอยากจะ อยากรู้จักดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยจริงๆแล้วเราเคยทําหลายตอนเลยนะคะเราเคยทําดาวเสาดาวพุธพุทยังยังอ๋อใช่ดาวเสาดาวสุก่ะอ๋ออังคารไม่ต้องไล่หรอกอ๋อโอเคย่เพักเป็นภาระของเธอเข้าใจทําหลายตอนแล้วใช่เราเคยทําหลายตอนแล้วใครที่อยากฟังก็ไปตามฟังได้นะคะเผื่อจะเก็บให้ครบเลยอืแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากฟังเรื่องราวของดาวดวงไหนอีกลองแชร์เข้ามาในคอมเมนต์กันได้นะคะ ติดตามใดๆในโลกโลอนฟิสิกส์ได้ในตอนต่อไปนะคะก็ไม่อยากพลาดกด Subscribe ไว้เลยนะคะ YouTube Channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามรายการของเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears